ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพวกพิสุทธ์ชาวพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอโกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงจริงหรือพวกพิสุทิ์ชาวพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆาบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงโกรธไม่พอใจ